ไม่อยาจะลอตัวเองอีกแล้วชุยบอกได้ไหมจริงเธอคิดเช่นไรมันคือความรัก อยากที่ทมีคำทากเธอสักทีรักเธอหมดใจ บอกได้ไหมจริงๆเธอคิดเช่นไรมันคือความรักแบบไหนที่เธอป้องการฉันเป็นได้แค่เพื่อนเธอหรือมากกว่านั้นและฉันยังคงรอบเธอทุกวันไม่ฉันอยากจะขอ แบบแบบไหนที่เธอต้องการัน